เรื่องซื้อที่ดินให้วัดแต่ตามไม่จริงที่ดินแปลงใหญ่สองไร่กว่านี่พวกญาติโยมทั้งกรุงเทพเพิ่นกบฏจากระบุซื้อไปหนอกแต่รูปพอระบุก็ได้คุณหมอเพ่งสีก็น้องสาวเพิ่นสองคนซื้อที่ดินป่าไม้ซักนะเจ็ดแสนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทบ่แล้วก็มือว่านเนี่ยครับสววจิตรเพิ่นวัดซื้อที่ดินอีกพอม่านจัก สักงานมนเนี่ยเคื่องงานสองงานสี่หมื่นบาทอะไรก็เรื่อยรวบรวมจะตุปปจัยก็ได้หลายติ่นอยได้มาว่าเนี่ยก็แสนกว่าบาทอาจจะถึงสองแสนก็พอละแต่เมืนเน่อใดก็ยังมีแมชีกรุณาสุวรรณศรีสองพบาทแมชีสุ ก, กัญญาห้ารอยบาทเนี่ยถวายกับหลวงพอ่อหลวงพ่อมอบให้ผออุทิตนั่นแหะแหม่ก็อุทิตจัดการ แต่ว่าถึงยางไรก็ตามที่ดินที่ซื้อมาแล้วก็ต้องพัฒนาพัฒนาจานังไรมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นสะน้ำเห็นไหมสะน้ำใหญ่มันบอกขังน้ำหลวงพ่อก็าเลยบอกว่าเออถ้าเป็นไปไดใดไห่พออุทิศกับอาจารย์เกี่ยวกับคณะกรรมาการไปซอยซอยเบิรนกันเบืนะ้องหน้าเป็นแต่เอาเมฆโคไปถมกับถ ม, ถมซะถมสะนะ่ะพอถมสะอลไรก็ถมมองที่ผู้ใหญ่วาดที่เข้าซื้อหม่นี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นสะ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 หลวงพอบวเมสิบปอยปาลาเลยเด้สืบสอบถามข่าวอยู่ตลอดถอบถามมาหาทาั้งพอ อ, อุทิตยอยู่นั่นๆก็โทรมาถามเป็นไ้งานตรงปูเฮ้าหลวงพอ่วงวงวง อ, พอว่างๆใจก็พพว่ายนังไก่อยุพุ่พนอะวันที่สิบปดมกราห้าเจ็ดพุ่น่ะอันนี้หากระเดือนเมษาหนึ่งยังอีกหลายเดือนก็คิดว่าหลวงพ่อเองก็เลยบ่ไดเ้เขียวเข็นเดือดตอนอี่ยัง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 คุณแม่ชื่อแก้วคืกอกันหลวงพ่อก็ะเดาส่างเจดีปัญจุอัติธาตัของเพลิลนนี่แหละหลวงปู่จามของเฮ้าเนี่คือกันหลวงพ่อจะไปปล่อยปาลาลเลยกับบัใด้คือกันถึงอยู่จังไหนหลวงพ่อองเบิงเพราะเป็นหลวงอาพร้อมเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์พร้อมที่เพลนแนะนําสั่งสอนธรรมะใดจากองค์หลวงปู่เฮ้านี่ยคบบ่แม่นน่อยคือกันพระนริโขให้พวกลูกหลานทุกคนนะต่างฝ่ายคารวะหยาดโยมคือกันซอยๆกันเบิง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 S <S <an> เคเลเดยดิอยู่หอดมือนีแหละมนีจะเห็นเลยก็เออเรียบรลอยทุกอยา่างหมื่บ้านก็พอก็บยางอ่อนวัดผู้เดียวเลย่างออกไปทางทิศตะวันออก ย, ายาก่ า, กยางก็ล่อๆลงเออทุกอย่างก็เรียบลอยก็คงไม่มีปัญหาที่กว้างขวางต่อไปภายภาคหน้าคันมีงานพระราชทานเพิ่งอต า, ามกำหนดก็คงจะเรียบรลอยทุกอย่างเาพราะผกเข้าก็เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะ นี่แหละวงพอบอกกาวเ้อคณะา ท, ทายญาติโ ย, ยมลูกหลานทุกคนสรุปแลกวคือให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันนั่นแะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหบรบหิเผกเขาแตกแยกสมรคียถ้าหาว่าทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นร่วมกันเห็นความแตกแยกสมคัครคีคือเสือคือผีคือสัตว์ลายคืออันตราย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 เออหลวงพ่อเห็นมาเมื่อโอ้ต่อไปไผ่ผัก้ําชิ้นแน่นเข่ากว่านีได้เนี่หลวงพ่อก็เลยออกไปสางสาัาอยู่ทั้งนอกปลาลำไยเป็นเนื้ทีขึ้นกันนะ่ะเป็นนืที่วัดขึ้นกันทั้งหมด27ไสรสั拉ทั้งนอกเดือไปสางอยู่หุ่นมีกําแพง ล, อ ล, อ ล, อล้อมรอบละนั่นคือจุดหมายจุดประสงค์หลวงพ่อกับแบกภาระจะได้ปีนี่แล้วก็วัดหลวงพ่อทั้งหมดนะ่ะ ปีนี้ได้โหนเขาหันฉนดปีนี้พันกอ่าลาอแตบ่บมันฉนโนหลวงพ่อแฉนดของพระพุทธศาสนาวัดมันเป็นวัดไผ่โ บ, บมันวัดหลวงพอ่อเลหลวงพ่อเป็นผู้บริหารที่ซื้ อ, อสมบัติแท้ๆเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาขายกบะโบ้ใดเช่งกระบ้ไดโยกให้ผู้อื่นกบะโด้ใด เ, เป็นของกรมการาศาสนาเป็นผู้ทูแล่นั่นแหละวัดหน้าคำหน่อยหลวงพอ่อเล